แล้วก็ออกไปทางกายและทางวจาจาใจถึงก็ใจย า, ยานก็แปลว่าลักษณะนี้คือการไม่ก้าววงทีนี้การไม่เก้าร่วงเนี่ยพูดตรงนี้ย่อๆไว้แต่การไม่ก้าร่วมเนี่ยเขาจะออกไปตามลําดับเลยนะเอาวิจิกรรมะเนี่ยหรือตัวเศษจริงๆเนี่ยไม่ใช่ต่ําๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นของเล็กๆสีเนี่ยพูดตั้งแต่ระดับชั้นกุศลจิต แล้วก็จะเดินเป็นไปตามดับไปจนถึงมหาคตาจากมหาคตะจนถึงโลกุตละก็มีศีนั้นสีไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างที่คิดสีเนี่จะเริ่มพัฒนาจากเนี่ยเริ่มต้นๆเนี่ยจากตั้งแต่เริ่มข้อวัดเอ่ยจากปฏติโมกสังวรศีนอาชีวะบริสุทธิสีนปัจจยสนิสิตาสีนเนี่ยนะแล้วก็อย่างในเรื่องของอาชิวะปริสุทธิศีนปัจจยสนิสศีาไม่ต้น เริ่มเป็นต้นแล้วก็ขัดกาไปจนถึงออกจากอักษรธรรมบทสิบออกจากนิวรณเป็นต้นเป็นไปตามลําดับเลยนะจนยันปรมยานตัวเดียชานะตัวกุศลศีลมันก็จะเดินไปเรื่อยแต่ตัวไหนเดินได้ก็เดินถ้าในมัดาสามวิรตีไม่เข้าไปแต่เจตนาไปไปด้วยนะเจตสิกตัวอื่นไปนะเนี่ยสังวรไปอยู่นะเนี่ยนะแล้วก็ตัวอวิติกมา ก, การไม่เข้าร่วมกับไปอยู่ไงนะ่นาจะไม่เข้าจนถึงชั้นของโลกุตระพ้นทุกถามว่าในมัดมีศีลไหม มีสัมมาวจายัางนั้นไหมสัมมากรรมตาามมมา่าอย่างนั้นไหมสัมมาชีวายังนั้นไหมมีตัวเจตนาไหมออกวสีเห็นไหมทีนี้มีความไม่โลภอยนั้นไหมมีความไม่โกรธไห ม, มน่นเห็นไหมตัวเจตสิกสีเต็มหมดเลยฉะนั้นตัวเจตสิกสีก็ไปประชุมเป็นศิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาก็ไปประชุมในโล ก, กุตละน<ม>ุนถึงโล ก, กุตละธรรมมีอภิภานเบลลง ก, ก็ไก่ต้องใช้ยันด็อกเตอร์ไหม ศีลต้องใช้ไปถึงนู่นเลยต้องโคตละเลยต้องไปเกื้อหนุนนู่นเลยมัดให้เกิดขึ้นเลยเข้าใจคำว่าศีลเลยนะนี่ผู้จริงยันติอย่างเข้าใจอย่างใตเนี้ยศีลเลยนะนี่ผู้จริงยันติศีลน่ะศีลน่ะสามารถนู่นมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้เลยตกองศีลสําคัญไหมสำคัญนะถ้าไม่มีศีลพ้นทุกได้ไหมถ้าไม่สมาทานศีลจะทําไงในชีวิตไม่ต้องสมาทานศีลได้ไหมต้องสมาทานไหม หม่ไม่สมาทานในขาดก็ทำองค์พุทธเจ้าเลยยุ่งเหมือนตรงเราเลยจะไต้องไปตอบปัญหาก็ไม่ได้เลยเนี่ยจะตอบปัญหาท่านไม่รู้ไม่ได้ก็าถามขึ้นมาติดถ้าต่อไปแยกเจตนาเนี่ยเวลาเหลือน้อยแล้วนี่ตอนนี้ยังไปเจตนาต้องกลับมาย้อนดูเจตนาอย่างี้เนี้ยทําไมต้องมาย้อนเจตนาแต่เนี้ยตอนนี้ถือว่าเรียนละเอียดพอสมควรนะถือว่าละเอียดแล้วเนี่ยถ้าเท่าที่ออกมาปั ญ, ญายาสีมาเนี่ย จะพูดระหว่างเจตนาศีลกับเจตสิกศีลเจตนาศีลกับเจตสิกศีลเขาเป็นธรรมที่เกิดร่วมกันทีนี้เวลาเขาเกิดร่วมกันเนี่ยเข้าใจว่าเจตนาศีลได้แก่อะไรพอจดจำได้แล้เนาะเจนาเจสิกเนาะที่เป็นไปกัการกดเว้นบาป ท, ทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนะแล้วเจตสิกศีลได้แก่ตัวหกตัวนี่นะสมมาวาจาสมากรรมศาสมาชีวะไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ปัญญา มีจำไม่ง่ายอย่างนี้นะได้หกตัว<ม>ในเจตนาศีลกับเจตสิกศีนเขาขัดกันผัดเปลี่ยนกันบางครั้งเจตนาศีลเป็นประธานบางครั้งเจตสิกศีนเป็นประธานถ้าไฟใดเป็นประธานไฟที่เหลือก็อนุกูลตามคล้อยตามอนุโลมตามมันแล้วจะใครจะวิเศษยิ่งกว่ากันถ้าเจตนาวิเศษยิ่งกว่าเจตสิกสีนก็ คอยเกื้อนหนุนและช่วยเหลือถ้าเวลาใดเจตสิกสีมิเศษยิ่งกว่าเจตนาสีก็อยู่ในฐานะคอยคอยตามไม่ใช่ว่า อ, อยากใหญ่ไปใหญ่วิทีนั้น เ, เขาจะไม่แตกแยกกันเ ห, เหมือนคนทะเลาะกันเขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะเกิดด้วยกันนัเจตนาเนี่ย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 เจตนาศีงก็แก่เจตนาที่เป็นประธานที่ประกอบไปด้วยการขวนขวายนะในการที่จะงดเว้นจากบาปทางกายและทางวาจาส่วนวิรัตเนี่ยนะก็หมายความว่าเป็นผู้วิรัตอยู่จากทุจริตทั้งหลายงดเว้นเนี่ยวิรัติไปองงดเว้นนะงดเว้นจากกายจทุจริตว่าชีวชุดจิตมโนทุจริตเนี่ยนึที่จริงเน่ยตัวมโนทุจริตต่างๆเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วทีนี้ในสองประการเนี่ยถ้าเทียบเคียง เทยบเพียงในการใดดังที่ได้กล่าวพระพุทธเจ้ากล่าวเนี่ยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนันในกายสังเจตนาสามก็หมายความบอกว่ากายกรรมที่เป็นกุศลวัจีกรรมที่เป็นกุศลมนโนกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยเอากายกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยนะเจตนาที่เป็นอยู่เช่นนี้จะเป็นเหตุแห่งการงดเว้น กาใจกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยนะเจตนาที่เป็นไปในลักษณะนี้เจตนานั้นจะเป็นเหตุแห่งการงดเว้นจากการฆ่าเป็นเหตุแห่งการงดเว้นจากการลักการเบื่อผูผิดในกางหรือถ้าว่าเกี่ยวในเรื่องของกายสังเจตนาประเภทที่เป็นไปต่อวจีกรรมวจีสังเจตนาคือการงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพื่อเยอะอันนั้นคือเจตนามาจัดแจงถ้าเป็นด้านหังใจก็คือไม่โลภไม่โกรธและปัญญาเกิดอยู่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 แต่ว่าตอนนั้นเจตนามาวิเศษยิ่งกว่าลักษณะอย่างเนี้ยเจตนานั่นแหละส่วนวิรัสนะนะพวกสัมมาวจาสัมมากัมมันตะสมาชีวะความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาเนี่ยที่ประกอบกับเจตนานั้นก็เป็นฝักฝ่ายค้อยตามอนุโลมตามเดินตามใช้คําว่าเดินตามนะเป็นจำนวนนะคําว่าเดินตามแท้จริงเกิดพร้อมกันไหม พร้อมกันแต่ว่าเจตนาก็วิเศษกว่าอย่างนี้เป็นไปส่วนของกายสังเจตนาวจีสังเจตนาเป็นต้นแล้วก็มโนสังเจตนาใช่ไหมเจตนาสามเหล่านี้เวลาเกิดขึ้นมา เ, นเสร็จแล้วที่เป็นไปในส่วนของกายสังเจตนาวจีสังเจตนามโนสังเจตนาที่เป็นกุศลนี่เป็นพุธทธพจน์ถ้าในกรณีอย่างนี้แปลว่าเจตนานั้นใหญ่กว่าไหมเป็นประธานแล้วบ่อยไหมชีวิตอ่ะ เคยตั้งใจในการที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไหมแล้วก็ทําให้เกิดปัญญาเข้าใจอู้เราคิดถูกเราตั้งใจไว้ถูกดีแล้วหรือบางทีโอ้โดีแล้วเกินเนี้ยทําให้เรางดเว้นได้ไอเจตนาก็วิเศษยิ่งกว่าเห็นไหมก็เป็นไปในเรื่องเกิดจากความตั้งใจเกิดจากการสมาทานงั้นการตั้งใจบ่อยๆดีไหมตั้งวันละหลายร้อยรอบตั้งไปหกนั่นแหละมันจะเป็นเหตกเป็นปัจจัยเราเข้าใจเจตนาศีล กรณี้ลักษณะอย่างเนี้แม้เจตนาในความจงใจจัดแจงในการที่จะบําเพ็ญวัดให้เปลี่ยนกะไปจะ ก, กวาดในฐานะเป็นลูกในฐานะเป็นแม่ที่ควรปฏิบัติต่อพ่ออย่างไงต่อลูกอย่างไางใช่ไหมแต่เราไปยังไม่มีใครมาเราเป็นแม่ไม่ควรทําข้อวัดข้อนี้ไม่ใช่นะไม่ลามาออกบิณฑบตาตมาเป็นพาระเราทษาามากกว่ามีพระอยู่ด้วยภาษาน้อยกว่า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 ของอะไรมาพวกเราก็เหมือนกันกรณีที่สี่ห้าที่มันบกพร่องกระพร่องกระแพนเนี่ยเพราะข้อวัดไม่บริบูรณ์อันนี้เราก็เริ่มไปถมให้เต็มต่อไปมันจะได้ไม่จบงั้นกลับไปก็ไปถมไปทำให้มันเต็มเข้าใจไหมชัดไหมตรงเนี้ยนี่เขาเรียกว่าเจตนาความจงใจจะจัดแจงข้อวัดให้บริบูรณ์คำว่าข้อวัดในที่นั้นก็แปลว่าอะไรหน้าที่ ทำหน้าที่ไปด้วยจิตเป็นยังไงจิตต้องเป็นกุศลไหมต้องเป็นกุศลมันถึงจะบริบูรณ์อย่างเงี้ยเขาเรียกข้อวัดอบูชาบุญของใครพราะพระพเจ้าเพราะพร ะ, พ เ, จพระพเจ้าบอกเขาไว้บอกอย่างนี้หวังดีกับเรานะเพื่อต้องการให้เรานั้ยน่ะข้อพูนข้อวัดให้บริบูรณ์ศีลจักบริบูรณ์ได้นี่เขาเรียกว่าเจดนามมาอยู่ในฐานะประธานหรือวิเศษกว่าเจตสิกศีล แต่วันนี้ไม่เข้าใจไม่ก็หยุดไม่ก็หยุดทำอะไรนะทำไเอาส่ยโยมมาพักสองอาทิตย์แล้วฮะก็รู้ว่าสั้นจะตอบยาวแม่ไพน์บอกว่าไปท่องอยู่เรื่อยเลยคเขามาสัญญาสั้นสัญญาสั้นท่องหลบเลี่ยงคําสอนไม่เหมาะเลยใช่ไหมวิธีคิดเนี่ยเขาคิดยังไงเขาคิดบอกว่าวันนี้ความจําเราไม่ดีจําอะไรได้สั้นๆ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 อาดถามว่าอายุเดินไปเรื่อยๆความจํามันจะยิ่งวิเศษยิ่งไหมนะเข้านี่ก็ถามว่าจําชื่อตัวเองได้มั้ยรดน้ําตาไหลจําไม่ได้จาไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงขอได้ที่ไหนเราถับจำจะต้องไปเจอใช่ไหมก็ลองเช็ดดูขนาดเราตั้งใจขนาดนี้มันยังแอบหลับตลอดหลายคนไม่อยากหลับนะจริงไมพี่ยไม่อยากเป็นหรอกใครไม่อยากเป็น มาเจริญกุศลมานั่งหลับเนี่ยไม่ได้บุญที่ไหนแล้วแต่ว่าเพราะความจำหรืสติไม่แข็งแรงแต่ตอนนี้ยังเจริญกุศลได้แต่จะมีสักวันหนึ่งในอนาคตเราจะเจริญอะไรไม่ได้เลยจเจริญอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ต้องระดมความเพียร น, นี่ยังต้องรีบรระดมต้องไม่ประมาทอันนั้นไม่ใช่ขู่เกิดแน่นอนทุกคนเป็นอย่างยิ่งยงตอนนี้ยังถอนได้แต่ต่อไปจะเจริญไม่ได้ ฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าโอ้ยอายุเท่านี้เท่านี้แล้วนะใช่ไหมมันไม่ใช่แค่นั้นต้องรีบระดมเพราะต่อไปเนี่ยเรียบร้อยเราจะได้ไม่ได้มีฐานะมานั่งฟังองมาก็จะมานั่งบรรยายไม่ได้อีกแล้วในอนาคตเกิดแน่นอนแล้วก็อนาคตที่ไม่ไกลต่างฝ่ายต่างก็ย่ำแย่กันไปเดี๋ยวเป น, เนยังใช่ไหมก็ก็ถึงบอกไลยบอกว่าจริงๆแล้วก็คือพวกเรานะี่ยมันนักโทษประหาร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 ตอนนี้กำลังเรียงคิวปั๊บปับปั๊มาอีกแล้วก็ใกล้ตัวแล้วเราจะทําอะไรชีวิตที่เหลือเนี่ยถ้าไม่เจริญกุศลถ้าไม่ระดมความเพียรเนี่ยเราจะทําอะไรอ่ะตําเร่งดีจริงๆเอาถึงเตือนแล้วเตือนอีกเตืนแล้วเตือนอีกจะมาเลมั้ยเอาสิจะหนีไปไหนหนีที่ก็ถูกล็อกไว้แล้ววิ่งไปไหนเขาบะตาบ้าหันหมด คนติดคุกอ่ะวิ่งไปก็ลอบคุกอยู่แค่นีน้ก็ถูกฆ่าวิ่งเหนื่อยเปล่ามีอย่างเดียวยอมรับเสียเถอะว่าเราเนี่ยเป็นนักโทษประหารแล้วไม่ใช่ยอมรับแล้วอะไรจะเกิดก็เกิ ด, ดอย่าไปคิดงั้นเลยุ่งอีกคิดยัางโมหะจีนี่ต้องระดมความเพียรอย่างเดียวจริงต้องคิดอย่างนี้จริงๆถ้าไม่คิดอย่างนี้บ่อยๆนะถ้าไม่เตือนตัวเองบ่อยๆนะเราจะไม่รู้เลยใช่ไหม แล้วขนาดคิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วยังมคิดว่าเรวไม่ได้เป น, นักโทษเฮ้ยเราไม่ได้ถูกประหารแล้วก็คิดอยนี้แท้จริงคือนักโทษปนนั้นแล้วติดคุกด้วยแล้วออกจากคุกไม่ได้ด้วยหนีไม่พ้นเนี่ยแต่มันมีเรื่องที่เราต้องระดมความเพียรที่จะออกจากทงสารวัตรได้นี้อยู่มีช่องทางอยู่ทางมีอยู่อ่ะคนบอกทางก็มีอยู่คนที่เขาเดินแล้วบรรลุ ก, ก็มีอยู่ใช่ไหมแล้วเราไม่เดินเพเข้าสู่ทางนะั้นมันไม่ใช่ความผิดของทาง มันไม่ใชความผิดของทางเข้าใจใช่ไหมสะาดน้ําก็มีอยู่ใช่ไหมก็จะให้ทําความสะอาดชําระสะสาด ม, มีอยู่การที่บุรุษเนี่ยเปื้อนทั้งตัวแล้วไม่ลุกไปโดดน้ําแล้วอาบขาดสีนะั่นไม่ใช่ความผิดสมศักดิ์ความผิดบุรุนนั้นฉันใดพวกเราก็ฉันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มานั่งคิดว่าโอ้ยไม่ต้องอาบแล้วใช่ไหม รอเดี๋ยวมันก็ฝนตกมันมีรอเดี๋ยวสาย ม, มันก็วิ่งมาหาเราอย่างเงี้ยไปคิดอย่างนี้มันเรียกว่าไปคิดเหมือนเส้เดือนกิน ด, น ด, ดินไม่ได้กลัวเป็นดินจะหมดก็ค่อยๆกินเนี่ยไม่ได้ถ้าจเจริญกุศลมันจไปค่อยๆเป็นค่อยไปอย่างเส้เดือนกินดินดี่เนี้ยอย่าคิดอย่างนั้นดิมันต้องคิดในลักษณะต้องระดมต้องระดมความเพียรคําว่าระดมความเพียรในที่นั้นก็คือตั้งโยนิสงมรรสการเป็นต้นเนี้ยนะ เมื่อเจรดมสมาธิถี่เป็นต้นนะั้นเจระดมนะั่นแหละศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นต้นนะ่ะให้เกิดขึ้นมันต้องระดมในลักษณะอย่างนั้นถ้าหากไม่ระดมในลักษณะอย่างเนี้น่ะเข้าหนาเข้าเรียบร้อยเลยก็มานั่งกอดเข่าเจ้าจุกอยู่ในสังสาระวะัฏเขาก็พ้นกันแล้วพ้นกันเล่าบรรลุแล้วบรรลุเล่าก็เหลือแต่เราอยู่เนี่ยมานั่งเนี่ยเป็นเดือนนะแล้วก็ออกอย่างว่าตักไม่ได้ใช่ไหมเสียหายไหมเสียเลย ทีนี้เจตสิกศีนถ้าหากในกรณีที่เจตสิกศีนนะสัมมาวจาสัมมาก ร, รมจาสัมมาชีวะหรือความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญานี่นะมีความวิเศษอยู่ในฐานะเป็นประธานของเจตนาที่เป็นไปอยู่นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดความไม่โลภเกิดขึ้นดังที่ถาม พอความไม่โลภเกิดขึ้นมาพบเกิดความไม่โลภมีความไม่อยากได้ไม่ยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองแล้วไม่พอแค่นั้นแล้วก็น้อมในการที่จะปิดบาปประทับทั้งหลายคือไม่ให้กายกรรมวิจีกรรมเนี่ยเป็นบาปไม่ให้มโนกรรมเนี่ยเป็นบาปด้วยความที่มีอโลภะแข็งแรงมากความไม่โลภมีแข็งแรงมากแล้วก็เป็นไปกับสุจริตสาม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 มีความเมตตามีความปรารถนาดีมีความเอือ้ออทอนเคยเป็นไมเอ่ยบางคนแบบแบบจับจิตจับใจอะเมตตาจริงๆเลยอะไม่ได้หวังอะไรตอบแทนมีความรักปรารถนาดีทั้งวาจาก็ปรารถนาจะพูดถู่ไหมเพราะเกิดความรักเกิดความเมตตาต่างๆเนะี่ยเวลาจะพูดกับเขาก็พูดได้เมตตาพูดได้เมตตาในขณะนั้นน้อมไปเพื่อจะไม่พูดเท็จไม่พูดซ่อเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเพื่อเจิดด้วย เมตตาที่เกิดขึ้นนั่นแหละมาตายเป็นเจตสิกสีนแล้วเขาวิเศษกว่าเจดนาวิเศษกวดเจตสิกอื่นๆเขาก็อยู่ในฐานะเป็นประธานที่เหลือทำที่เกิดร่วมก็อนุกูลตามคลอยตามเห็นไหมก็เป็นไปลักษณะนี้ก็ทําสุจริตสามเดิเคยเรียนไหมลนะ่ะในลักษณะเนี้ยเมตตาก็เดินได้จะเดินเมตตาแล้วน้องขัดเรารายกรรมวิีกรรมให้สุจริตให้หมดจด แล้วก็มโนกรรมก็ของใสกายวิชาใจสะอาดไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวเมตตาตัวอาโทสะมาเป็นเจตสิกศีนอยู่ในฐานเป็นรฐานส่วนเจตนาก็อนุกูลคอยตามนี่เป็นอย่างนี้ชีวิตจริงเป็นไหมเราก็ไปประชมวิธีคิดหาเหตุปัจจัยที่มันเกิดในชีวิตจริงแล้วก็เดินให้ไดจริงๆบางคร้วก็คือ ปัญญานะั้นมอยู่ในฐานะเป็นใหญ่เป็นประธานแนละวิเศษกว่าเจตนาเป็นต้นใช่ไหมปัญญาก็วิจัยเลยเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องกรรมผลของกรรมชัดเจนมากเข้าใจอะไรจนละเอียดแล้วอเบสเสร็จก็น้อมขัดใจกายกรรมวิจกรรมถึงจะปัญญาชำระศีลก็คือปัญญาเป็นศีลซะเองเลยใช่ไหมเป็นศีลซะเองเลยใช่ไหมก็เข้าใจเบสเสร็จก็น้อมไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในการ น้อมในการที่ไม่พูดเทสสอเสียพ่อเห็นโทษนะี่ยเห็นคุณของการไม่ฆ่าเห็นโทษของการฆ่าเห็นผลปรากฏเลยอ่ะเห็นชัดๆเลยอ่ะเอาพระเทวทัศน้อมที่จะฆ่าพุทธิยาดูพระเทวทัศก็กติเป็นยังไงพระเทวทัศน์เห็ไหมยังสงไม่แตกจากกันเห็นไหมโทษที่ทุสีนั้นเลยอ่ะแล้วก็เห็นอยู่หรือเห็นคนทําบาปประกรรมทั้งหลายเปรตก็มี เอาถ้ามองไม่ชัดก็เป็นนั่งดูใบยศยมันชัดแล้วก็มาคิดว่าทําไมก็ต้องเป็นนี่นะก็เห็นโทษของปางนาดิบาติณาทานการ ม, ม, มีสุนิชฌ า, ารย์เห็นโทษด้านพูดเท็จพูดเท็จเห็นชัดไหมคนที่เกี่ยวกับเนี่ยคองที่มีปากทั้งหลายในชะ่ไหมเราจะมีปากอย่างพวกปากของสัตว์นรกจะชอบไหมปากของสัตว์เดรัจฉานจะชอบไหมล่ะหรือปากของเป็นเนี่ยปากของอสุรกายเนี่ยไม่น่าหรือเป็นปากของมนุษย์ก็จริงอ่ะ แต่เป็นปากที่เสียหายมากเลยโรคเต็มไปหมดเลยอ่ะซึ่งเราก็มีปัญหากันเยอะแยะเลเข้าโรงซ่อมปากกันเป็นแถวเป็นแวนว <ๆ S 1> ก็เป็นโทษจากการ <ๆ S 1> ทุจริตทำวาจาทั้งนั้นเลย <ๆ S 1> แล้วก็เห็นโทษอยู่ใช่ไหม <ๆ S 1> ก็เห็นคนอยู่ว่าของการไม่ทุจริตอย่างเงี้ยพอเห็นอย่างนี้ไปเสร็จปัญญาเข้าใจตัวกรรมแล้วก็เข้าใจผลของกรรมแล้วเข้าใจดีตกรรมก็ชัดที่ได้ให้ผลในปัจจุบันนี้ แล้วปฏิบัติกรรมที่กําลังทําอยู่มันก็ต้องชัดการเข้าใจทั้งตัวกรรมทั้งตัวสะสมภาระกรรมใช่ไหมพอเข้าใจในรักศณะเนี้ยเ อ, อปัญญาเป็นกรรมได้อ่ในฐานะที่เป็นการงดเว้นจากบาปรกรรมได้มันเป็นศีลได้ก็เข้าใจคําว่าสะสมภาระกรรมตัวญานะที่เกิดวรอบเจตนาใช่ไหมลําพังเจตนาตัวเดียวจะเป็นกรรมได้อย่างไง ถ้าไม่มีปัญญาเกื้อหนุนเนื้อก็เริ่มเข้าใจคําว่าสัมปยุตเข้าใจคำว่าศาสชาตะชัดเจนไหมเนี้ยก็จะเข้าใจชัดขึ้นอย่างเนี้ยมันก็เห็นอะไรเห็นคุณของการมีศีลอย่างทองแท้เข้าใจพระปัญญาคุณของพระเจ้าไหมเข้าใจเข้าใจพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าไหมเข้าใจพระบริสุทธิ์คุณของพระเจ้าด้วยว่าพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณต่อเรามากมายจริงจ ถ้าไม่มีพระบรมศา ส, สดาประทานกุศลศีล น, นะเพื่อประชมในกระแสะะขันของโยมมงคลโยมมงคลเสียหายโยมมงคลจะมีแค่กรรมมสัญญาจะมีแค่โคจรัสัญญาและมรณะสัญญามีสัญญาสามนี้นะมีน้อมไปในเรื่องของกามน้อมไปในเรื่ององการหากินน้อมไปในเรื่องการกลัวตาย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 เรื่องโคจรสัญญาการเที่ยวหาอาหารเที่ยวหาทรัพย์เที่ยวในการจะสร้างธุรกิจสร้างเศรษฐกิจสร้างอะไรก็ว่าไปเพื่จะหาอาหารกินเน่ยเด้๋ยหลักก็คือแค่นั้นเนี่ยแล้วก็มรณสัญญากลัวภัยกลัวตายก็มีแค่เนี้ยแต่พ่ออาศัยพรอปรมศาสดาใช่ไหมพรอปรมศาสดามาประทานกุศลศีลมาบอกเรื่องศีลอันนี้สองกองศีล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 ลบกขึ้นใหญ่มันหลุดใช่ไหมมันลบกขึ้นเอาหลุดอีกแล้วความเข้าใจหลุดอีกแล้วไม่ให้หลุดใช่ไหมถ้าจะหลุดก็น้อมน้อมเลยลึกไอันนี้เริ่มเห็นคุณของปริยายาที่เห็นเห็นคุณของกุศลศีลของพระธรรมเนี่ยศีลเป็นพระธรรมมาคุณเนียศีลเป็นพระธรรมผู้ที่กล่าวศีลนั่นคือพระพุทธญาณพระพุทธญาณ คนที่ปฏิบัติตามศีลระดับโลกิยะจนถึงชั้นโลกิยะเขาเรียกอริยะเนี่ยโยมสุภาณหงเนี่ยต้องการจะทำตนเองให้เป็นหนึ่งเดียวในสาระคมที่เดินใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ถึงโลกุตระสาระคมแต่จะต้องเดินทางให้ถึงถ้าไม่ถึงเจ็บปวด <laughs> นั้นตรงนี้ก็ในลักษณะนี้ก็กเจดศิษย์ศีเนี่ยนะส่วนในกรณีคำว่าปรากฏชัดหรือไม่ปรากฏชัดก็เดี๋ยวไม่ว่ากันเอาเอาให้จบตรงเจดนาศีกจะเจดศิษย์ศีในบริบูรณ์แล้วเวลาประมาณสิบห้านาทีนี่นะเดินเร็วๆนิดห น, นึ่ตงตอไม่รู้ติดหรือเปล่า <laughs> เอาเนี่นอนเอาฟังให้เข้าใจเอาบอนะเอาฟังให้เข้าใจทีนี้กรณีที่เจดสิษยศีที่บอกว่าเวรตีสาม อนาพิชาอพยาบาทแล้ก็สัติมีความวิเศษกว่าเจตนาที่เป็นติหยุดโดยการที่เว้นจากการฆ่าการรักการประพฤติผิดในการมเว้นจากการลักการพูดเท็จส่อเสียดคำหย่าบหรือเพ้เชื่อใจไม่โลภไม่โกรธและมีปัญญาประกอบเป็นต้นเน่ยที่สําเร็จกิจได้โดยภาวะที่ตนเป็นประธานในข้อ น, นั้นๆเน่ะในการนั้นเน่ยเจตนาหรือรแล้วก็นวิชาเป็นต้นเนี่ยเป็นฝักฝ่ายเนี่ยก็คอยตามไป ที่เจตนาในปรากฏชัดเป็นประธานในเวลาไหนในเวลาที่มีการสมาทานเน่ะสมาทานเจตนาที่มีอนาคตเป็นอารมณ์นี่ปรากฏชัดเช่นเราสมาทานว่าเราจะไม่ฆ่าจะไม่ลักจะไม่ประพฤติผิดในการมจะไม่พูดเท็จจะไม่พูดสอ่อเสียดก็อย่าเพ้อเจอ้อจกไม่โลภจกไม่โกรธจกไม่หลงเนี่ยนะ เคยสังเกตคําสอนของพระบรมศาสดาไหมว่าถ้าคุณจะเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาเนี่ยสี่ห้ากุศลกรรมบวสิทธ์ต้องชัดไม่ใช่แค่สี่ห้ากุศลกรรมบวสิทธ์ต้องชัดพงพลสมาทานแค่สี่ห้าแต่ไม่สมาทานกุศลกรรมบวสิทธ์แต่ว่าไม่ได้เจริญสิกสีในส่วนของความไม่โลภความไม่โกรธและก็ปัญญาเข้าใจะยัง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 ให้ไปถึงสุคติไม่ได้เราจะเป็นมนุษย์และเทวดาเนี่ยพบต่อต่อไปถัดไปนันไม่ได้เลยเข้าใจยังฉะนั้นคารวะไม่ใช่อยู่แค่สี่ห้าถ้าอยู่แค่สี่ห้าคิดผิดสุดจริตสามที่เป็นไปในส่วนของมโนษสุจริตต้องได้เข้าใจยังโยงมบางคนกลับไปก็ไปสมาทานบ่อยๆแล้วให้เข้าใจให้ตั้งใจบ่อยๆเข้าใจยังนะ ม, มันจะถึงจะเข้าใจในเรื่องของสีนชัดถ้าอย่างนั้นมันก็วนกันอยู่อย่างนี้ย รักษาศีลก็ยังมาเศร้าหมองหม่นมัวกันอยู่นี่แหละเพราะเจตสิกศีลไม่เก็บเหนไหมการศึกษาศีลไม่บริบูรณ์มีโทษไหมละ่ะมีโทษเลยใจก็ไม่สบายแล้วจะไปเดินกุศลระดับสูงได้ยังไงจริงไหก็เดินไม่ได้แล้วก็เป็นปัญหากันอยู่อย่างเงี้ยไปเรียนว่าทำาะไรเรียนไปสิแต่ก็ได้มโนทุจริตกลับมา กลับมาเหรอนคนนั่นว่าแล้วคนนี้สอนดีคนนั้นสอนไม่ดีคนนี้น่าเกลียดคนนั้นหน้ารักอะไรก็ไม่รู้สบายนะเข้ามาก็เบ็ดเสร็จแต่งแยกนะนั่งไปไกลนั่งใกล้เหมือนนั่งนนอะไรกันเอาไปใหญ่แล้วก็ใหญ่ใช่ไหมไม่จมาเป็นอย่างนั้นเพราะสุจริตไม่เดินโดยเฉพาะมโนสุจริตที่ชัดเจนไหมฉะนั้นเจตนาจะเป็นประธานก็คือในขณะที่สมาทานเจตนาที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ ในสมาทานวิรัตหรือปัจจุบันเป็นอารมณ์ก็ในวัดจะปฏิบัติวิรัตนั้นปรากฏชัดคือถามบอกว่าพวกวิรัตีเนี่ยปรากฏชัดตอนไหนถ้าเจตนาปรากฏชัดตอนตั้งใจเจตนาจงใจจะรักษาแล้วก็สมาทานคําว่าสมาทานเนี่ยไม่ใช่ไปเปล่งวาจายอย่างเดียวก็ตั้งใจพบเป็นแล้วถ้าเข้าใจเรื่องศีลเนี่ยนะไม่ต้องไปอยู่เดหน้าวพระเจ้า น้อมถึงพระเจ้าได้ทุกที่พรเจ้าอ ย, ย่างน้อมเลยขับรถปุ๊บปุ๊บไเนี่ยเดี๋ยวเดยวจะทำไทยทาท่าหน่อยล้างบ้วนปากให้สะอาดใช่ไหม จ, จัดแจงเพราะมันได้ที่ตรงนั้นแล้วน้อมสมาทานคิด ป, ปุ๊บได้แล้วเปล่งวะเจ้ามาก็ได้แล้วคือตั้งใจงดเว้นเนี่ยถือเป็นสมาทานเข้าไหร่นตเจนีนะ ถ้าปูพื้นถามระดับนี้ถ้ากลับมาปัถหามไม่เข้าใจเนี่แหมมันน่าเลยเดีเนี้เข้าใจยังทีนี้ที่ไปรับแบบพระเนี่ยเขาเรียกเป็นพิธีการเท่านั้นเองไม่มีพระรักษาไม่ได้ยุ่งเลยแล้วใจอย่างนั้นล่ะพระหมาเชนกนจะมาทานบัวสดศีลกามทะเลมีพระที่ไหนไปให้ศีลท่านะนเลนเรือก็จะล่มอย่างนั้นถ้ายัางโ ย, ย, ย, ยงไปไหม ต้อไปไปเป็นนะก็ไม่ไปนั่งนะอยู่พวกที่ออกนอกเรื่องมันแต่จริงๆก็คือว่าไม่ต้องอาศัยนระอาศัยความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจสมาทานก็ไม่เป็นนี่เป็นยังไงนี่ตรงนี้พอเข้าใจเลยนะเอาพอเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วว่าถ้าวิรัตนี่นะโดยวิรตตีเนี่ยจะปรากฏชัดตอนที่มีอารมณ์ที่กําลังปรากฏเช่นมีสัตว์ที่จะทําให้ข่า แล้วเราไม่ฆ่าอันนี้เป็นเว ร, วรติชัดหรือมีบุคคลที่จะให้เราพูดเท็จแล้วเราก็งดเว้นได้ในขณะนั้นอันนี้เวรติปรากฏชัดนี่เข้าใจใช่ไหมนะเจตนาสีแนละเจสิก ส, สีเน่ยเกี่ยวข้องกุศลกรรมบทตเนี่ยตามที่กล่าวไว้แล้วฉะนั้นเจตนาที่เป็นไปในกุศลกรรมบทเนี่ยนะโดยลําดับของบุคคลผู้ประหารอยู่ซึ่งตัวเจติตั้งหลายมีปานอธิบัติเป็นต้นทีนี้เจตนาที่เป็นไปในลักษณะว่า จักไม่กระทําเป็นต้นเราจักไม่ทำเราจักไม่ข้าวเป็นต้นเนี่ยประหารอยู่ซึ่งอนาจของเจรนาศีเป็นต้นนะ น, นะส่วนถ้ากว่าเจรสิกศีนาาก็บอกว่ากระทํากรณีการที่จะงดเว้นจากบาปประทมทั้งหลายที่เป็นไปในเรื่อ ง, องการที่จะเป็นไปที่จะงดจากเว้นจากอคติกรรมบทชศีลอันนี้ก็เป็นเจรสิกสีนที่เป็นไปในส่วนของสมาวจาสมากรมันต์จัตสมาชีวะแล้วก็เป็นอนาพิชฌาอวียาบาทะทศกัณฐสมาธิตรงนี้เขาก็เกิด ต่างกันในลักษณะอย่างนี้อันนี้พอจะสรุปได้พอว่าประเด็นนิดหน่อยตรงเนี้ยนะอะตรงนี้เปิดประเด็นได้ถามหนึ่งข้อแล้วได้สรุปจบยังไม่จบตัวสังวรศีลกาวิจิกมาศีลก็ถ้ามีโอกาสก็ไวยต่อถ้าไม่มีโอกาสก็ศีลยังไม่จบศีลยังได้มาแค่แค่นี้นิดยังไม่ยังไม่ได้ไปสรุปตรงคําวนะ่าศีลระอย่างไงเลย ตรงนี้แค่บอกรายละเอียดนะยังไมได้ไปประชุมคําว่าศีรุ่นหน้านทำกายกรรมประจีกรรมให้ตั้งไว้ดีดไม่เกินกนไม่กระจัดกระจายยังไงแล้วก็เป็นคุณธรรมรองรับเป็นฐานรองรับเป็นภาชนะรองรับคุณธรรมเบื้องสูงข่าวคือสติปัฏฐานสมบัประฐา น, านอธิบายอินทรีย์พระพุทธเจ้อริยมรรคย่างไงยังไม่ได้ไปอธิบายตรงนั้นเลยเข้าใจใช่ไหมอันนี้อธิบายว่าเห็นความต่างกันระหว่างเจตนาศีลกับเจตสิกศีลแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบบ้างเล็กเล็น้อยนอยเนี่ยนะ หมดเวลาแล้วนะนี่หมดเวลาแล้วนะนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วในะเรื่องสีนั่นต้องต้องเข้าใจให้มันชัดชัดก่อนนี้จริงไหมโยธวันโนอะ๋ตรงนี้ก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งนะเราท่านทั้งหลายก็ไปครอบคูณว่าพระบรมศาสด า, า, า, า, ามีอุตสาหะบำเพ็ญบารมีมายี่สิบประสงค์ขายยี่นแสนมหากรับ ควรจะประทานกุศลสิ่งเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสจะพ้นจากอบายภูมิและพ้นจากวัฏจัทุกข์ได้นั้นน่ะพราะผมต้องเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนอย่างไรก็เห็นคุณของพระบรมศาสดาให้ชัดนอบน้อมคุณของท่านให้ชัดให้นึกซึ้งถ้าอย่างนั้นเราจะไม่เห็นประโยชน์อันยิรัพย์กับกุศีเลยแล้วเราก็พากันละเลยวิ่งผ่านไปบ่านมาไม่เห็นคุณของพระบรมศาสด า, า, าก็น่าเสียใจนะใช่ไหมจ๊ะเราท่านทั้งหลายก็ต้องมุ่งมันถ้าปรารถนาในการที่จะพ้นจาก ว่าตากล้ยจะทุกข์ถ้ง น, นั้นเราจะได้ไม่แช่อย่ในวัฏจัทุกข์เป็นต้ น, น, นไันนี่ก็สมควรเยาว์เวลานี่ยถามได้อันเดยวก่อนดำเนินหรือเดินใช่ไหมคาว่าดําเนินหรือเดินก็แปลว่าทํากุศลสีให้เกิดไปบ่อยทําให้เกิดเสมอเสมอทำให้เกิดอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่น เหมือนโยงมมงคลจะไปบ้านเนี่ยถ้าเดินจากนี้ไปเนี่ยนะถ้าไปหยุดแล้วมันจะไม่ถึงบ้านใช่ไหมดังนั้นมันจะต้องเดินไปเรื่อยๆเพื่อจักให้ถึงบ้านแล้วถ้าต้องการอยากให้ถึงเร็วต้องรีบเร่งก็ต้องเพียรพยายามต้องระดมความเพียรขั้นเยอะกรณีอย่างการเดินกุศลศีลเป็นต้นก้อนในยะอย่างเนี้ยก็แปลว่าต้องไม่ให้กุศลศีหยุดชะงัก เป็นระยะระยะต้องเดินที่ต่อเ น, นื่องก็ดำเนินไปแล้วก็เดินใช้คำอัจริยางการเดินให้รู้แต่เวลาตัวกุศลศีลเกิดตอนนี้เราเริ่มรู้จกักศีลบางแล้วรู้จักเจตนาเจตสิกต่อไปก็มีหน้าที่ในการถัดดำขับเคลื่อนทําให้เจตนาศีลเดินทําให้เจตสิกศีลเดินถ้าสิ่งต่งตางๆเหล่ า, านี้หยุดชะงักก็ใช้ปัญญานั่แหละในการที่วิจัยพิจารณาเห็นคุณของพระบรมศาสดา ทโทษของสังสารวัตเป็นโทษก็ขับเคลื่อนผักดันใสสนกุศลศีลเดินไปอย่างต่อเนื่องเข้าใจใไหมนี่ก็าเราียกเดินหรือดำเนินไปพอเข้าใจเนาะเหมือนรถเนี่ยขับไปแล้วมันเกิดน้ํามันหมดหรือเกิดเสียกทางจะดําเนินไปถึงบ้านได้ไหมจะเดินไปถึงบ้านไม่ได้ถึงจุดหมายปลายทางไม่ได้กุศลศีลของเรายังไม่ถึงโลกุตรามักเพียงไหลเรายุดเดินไม่ไต้องเดินกุศลศีลอันเนี้ยขับเคลื่อนกุศลศีลเนี่ย ให้ไปตามลําดับเพื่อถึงประชุมในโลกุตละเฮดานั้นคือเป้าหมายของทุกคนพ้าใจ้าอย่าง น, น, นั่นแหละเป็นจิตที่พระบรมศาสดาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตอันใดที่ตถาคตะทําแต่พวกเธอจิตันั้นตถาคตทําแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเลือนว่างนั่นลองฟางเออจงไปจงระดมความเพียรเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงก็บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทําให้แจ้งซึ่งทำที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งอย่าได้มันนั่งเสียใจนะภายหลังตอนนี้มานั่งเสียใจกันเรี่อยเสียใจแล้วเพอเราปล่อยสังสารวัตรผ่านมาสองพันกว่าปีพระเจ้าทํากิจของพระองค์เบสเด็จบอกละเอียดทียิบพระองค์ทํากิจของพระองค์บริบูรณ์แต่วพวกเราเนี่ยทากิจของตรเองไม่บริบูรณ์นะแล้วเราก็เลยมานั่งทุกใจเสียใจกันอยู่เนี่ยอยปวดหัวเลยเกิน โอ้อยจะต้องทำโน้นทำนี้นี่มันนั่งเสียใจภายหลังเพราะเราไม่เชื่อพระบรมศาสดาใช่ไหมก็จําใส่ใจไว้ว่ามีพระศาสดาทํากิจของท่านเสร็จแล้วแต่พวกเราเรียนทำกิจของตนเองไม่เสร็จเลยยังไปไม่ถึงไหนเลยเนะี่ยต้องระดมความเพียรไม่ยังเดีย๋ยวนี้ยต้องระดมเพื่อถึงธรรมเพื่อบรรลุธรรมเพื่อทําให้แจ้งจะได้ไม่เสียใจในภายหลังจะได้ไม่ปวดใจในภายหลังจะได้ไม่ทุกใจในภายหลังจะได้ไม่ไมานั่งร้องไห้ ใช่ไหมทุกวันเราร้องไห้จนน้ําตาปเป็นเจนมากกั่าน้ําในมาหาสมุทรกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นโพษของสามสาวรวัตรกันสักทีใช่ไหมพระศาสดามีพระอรหากรุณามีพระเมตตาประทานให้แล้วแล้วเราแต่เราก็ไม่เจาะถึงพระธรรมของพระเจ้าสักทีเลยก็เลยไม่ได้ขัดเก่ากันเข้าใจใช่ไหมแต่นี้ก็เล่นระดมตาสังขารคถาสังขาะการรวบรวมคาถา ถ้าเป็นการรวบรวมพุทธพจน์ก็เรียกการรวบรวมพุทธพจน์ร้อยกองเป็นค า, าถาทำอาคาถามันก็เป็นบทขับอย่างยกตัวอย่างที่บทสวดบทขับทั้งหลายใช่ไหมเป็นคาถาทั้งนั้นอะอะพิวะตนะสีริสาเนจังอุฒาปัจจายนโนเนารุด ม, มาวัันติอายวันโนสุขังบลาลังเนี่ยนี่เป็นคาถาเป็นบทขับเข้าใจใช่ไห เนี่ยลักษณะเนี้ยแต่ก็คือนั่นแหละท่านมารวบรวมคำว่าสังหามันร้อยเกาะมารวบรวมเราจะได้สาธยายจะได้เกิดความลึกซึ้งในประธรรมคำสอนของพระบระมาาศาสดาเป็นต้นเนี่ยนะต่อไปก็อุทิศเสร็จกุศลกันดีนะนะ